วันพุทธที่ยี่สิบหกแลมจะคัมวันนี้แลมสามคัมเดือนสามนะ <c oughs> แลมสามคัมเดือนสามดังการปฏิบัติวิธีที่พวกเรากำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับทางทฤษฎีมาก แต่มันก็โยงถึงกันได้แต่มันเกี่ยวข้องวิธีทำรรคือมันมีเทคนิคและโกลไกในตัวมันเองจึงมีวิธีทำรรวิธีทรรมนี่ต้องเรียนให้เป็นทำให้สัมนิสํานานแล้วเมื่อปฏิบัติก็สบายถ้าหากเราเรียนวิธีปฏิบัติ ยังไม่สำนึกสำนานเมื่อเราไปปฏิบัติก็ขัดข้องมีความสงสัยลังเล ก, กังวลใจนี่เป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงจกักแนะนำให้พวกเราเข้าใจวิธีทมจังหวะเป็นพลิกมือคึนืนพลิกให้เป็นพลิกไม่แต่ยกพลิกเสย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 ยกมือให้รู้สึกเอามาทับมือขวาที่หน้าท้องหรือสะดือให้รู้สึกเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกเอามือขวาออกตรงข้างให้รู้สึกเอามือขวาลดลงที่ขาขวาตะแคงไว้ตั้งซันตะแคงไว้คั่วมลงให้มันรู้สึกเท่า น, นั้นเองทำสลับกัน มือขวามือซ้ายเมื่อทำอย่างนี้แหละสิ่งที่ปรากฏขึ้นในตัวมันมีเองนี่ว่าทำความรู้สึกตัวให้มากความไม่รู้นั่นแหละมันก็จะค่อยลดไปลดไปลดไปหรือว่าหมดไปหมดไปหมดไปอย่างนี้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 มีวิธีกลไกลและเทคนิคมีจังหวะทำเป็นจังหวะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เส้นพิตาเลือดท้ายและขวาก็ให้รู้เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยก็ให้รู้คกืนน้ำลายลงไปในลำคอนี่ก็ให้รู้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 เรานี้หยาบคนอื่นมองเห็นได้อย่างถนัดหรือไกลๆ ก, ก็มองเห็นอย่างละเอียดเข้ามาคือพิบตาพิบตาเลือดสายแลขหัวละเอียดเข้ามาแต่ก็ยังดูไกลๆมองเห็นได้บัด น, นี้ละเอียดลงไปคือหายใจเข้าหายใจออก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 รู้สึกตัวนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมธรรมะนั้นจึงคือตัวคนทำการทำงานพูดคิดเป็นธรรมะทั้งนั้นและต้องรู้จักกับสิ่งเหล่านั้นรู้เท่าทันเหตุการณ์กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปกับงานทุกประเภทเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่แรกมันต้องมีการฝึกหัดเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในประเทศอินเดียโนนว่าให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้แต่ว่าตอนกนําหนดรู้นี่อาจจะเป็นคนอื่นพูดก็ได้หรือพระพุทธเจ้าพูดก็ได้ถ้าเข้าไปกําหนดจริงๆมันหนะักท่านว่าให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยบททั้งสี่หรืออริยาบททั้งสี่เนี่ยยืน ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ท่านแล้วก็เดินไปเดินมาไปไหนมาไหนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนย้ำเข้าไปว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ ในอริยบร ย, ย้อยคููเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ท่านสอนอย่างนี้แต่คำพูดอันนั้นพูดได้แต่เราไม่เข้าใจเราไปเข้าใจเอาเพียงกำหนดลมหายใจข้าวสั้นออกยาวหรือข้าวยาวออกสั้นลมหยาบลมละเอียดแล้วเราจะกำหนดรู้อันนั้นอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็หลับตา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 จะเจริญลุ่งเรืองหรืองอกงามนั้นก็ต้องอาศัยบริสตทหน่วยประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวิไไนัยอยู่มรรคผลนิพพานก็ไม่ว่างจากลลกนี้ในทางตรงกันข้าม <c oughs> พุทธศาสนาของเราแต่ถาคตนี้จะอันตรฐานหรือหายไป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 สี่บริษัทนี้ทันว่าย่งังไงเดี๋ยวนี้บริษัทอย่างที่พิกูุนีนั้นไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีพิสูนีเดี๋ยวนี้มีแต่พิสุอุบาสกปุสิกาอยัางเหลืออยู่สามบริษัทเท่านั้นเองแต่จะพูดในวันนี้ก็เอากันเป็นเพียงบริษัทสองก่อนเบื้องแรกคำว่าบริษัทสองก็หมายถึงผู้สาย พระภิกษุก็เป็นผู้สายบวชแล้วสึกไปสึกแล้วก็บวชมาเรียกว่าเป็นผู้สายคือบริษัทหนึ่งภิกษุนี้หรือแม่ขาวแม่ซีแม่ดำเหล่านี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งเรื่องผู้หญิงเพศหญิงนั่นเองสองบริษัทนี้แหละทำให้เจริญก็ได้หรือไม่ต้องการความเจริญทาให้เสื่อมก็ได้ สำหรับตัวบุคคลเท่านั้นเองบัดนี้อยากจะกล่าวถึงบริษัทสอีกสักคําหนึ่งที่เรายังมีความขัดข้องหรือสนใจกันอยู่ในบริษัทสี่นี้เองบริษัทสี่นี้สมมุติขึ้นมาสี่คนจะเป็นผู้หญิงทั้งสี่คนก็ได้จะเป็นผู้ชายทั้งสี่คนก็ได้สมมุติเอาบุคคลคนหนึ่ง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 บริษัทนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหนา้าจิบหายแต่จเจริญสําหรับส่วนตัวเราและไม่ทําให้พุทธศาสนาหรือคนอื่นจเจริญขึ้นมาได้บริษัทที่สามบริษัทที่สี่คือพวกเรากําลังศึกษาและปฏิบัติวิธีกลไกและเทคนิคการกระทํานั่นแหละให้รู้จริงเห็นจริงและทําก็ ถูกต้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้มีสติเข้าไปรู้นี่แหละทุกเรียบบทเนี่ยแล้วเกิดยานปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงสัมผัสได้กำหนดวันเดือนปีลงไปเพราะตัวเองรู้จริงก็ต้องกำหนดได้วันเดือนปีกาหนด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 ให้คนอื่นหรือคนทั่วๆไปรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามสิ่งที่ตัวเองได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจมานั่นแหละเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูหลักพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาเจริญได้บริษัทนี้แต่จะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นพระเป็นเนนก็ตามเป็นใครๆก็ตามถ้ารู้จริงแล้วต้อง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 ถึงเก้าสิบวันอาณิสงฆ์ไม่ต้องพูดเลยทุกนั้นจะลดน้อยไปหรือบางคนผู้มีปัญญาเข้มแข็งหรือสลสะสลียวมากอาจจะเบื่อทุกข์ไปได้ทั้งหมดก็ได้ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยบรรจุลงมาที่แก้ปัญหาตัวเองคือแก้ทุกนี้เอง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 แต่ก่อนตัวของผมหรือตัวอาตมาก็ไม่รู้ศาสนาต้องมีวัดมีพระสงฆ์มีเนนหรือมีพระพุทธรูปมีเจดีย์มี JD, มกรรมพีมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเข้าใจอันนั้นเป็นตัวศาสนาอันนั้นจริงอยู่ศาสนาสมมุติ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 คนบูราณท่านจึงสอนเอาไว้สั้นๆว่ายาเห็นผิดเป็นถูกย่าเห็นนรกเป็นสวรรค์ยาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวท่านว่ายังไแล้วก็อย่าเห็นทุกข์เป็นสุขท่านสอนเอาไว้ในทางตรงกันข้ามบางคนก็เห็นผิดนั่นแหะกลับมาเป็นถูกเห็นทุกข์กลับมาเป็นสุขเห็นนรกกลับมาเป็นสวรรค์เห็นกงจักร นั่นกลับมาเป็นดอกบัวเป็นยังไงเรื่องนี้เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนี้มีนิทานคำว่านิทานเนี่ยหมายถึงปลมปลาจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสายคนเดียวแต่พ่อตายลงไปเหลืออยู่แต่แม่คนเดียว กับลูกชายคนหนึ่งเป็นสองคนมีทรัพย์สมบัติมากไส้เท่าใดก็ไม่หมดลูกชายคนนั้นใหญ่โตมาแล้วก็อยากไปค้าไปศึกษาเล่าเรียนต่างชาตต่างภาษาหรืออะไรมากๆเหล่านั้นเนี่ยแม่ก็ห้ามบอกว่าไม่ต้องไปหาเงินทองเงินทองอยู่ในบ้านของเราใช้ก็ไม่หมดแล้วแม่ก็มีหน้าเนียวบาย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 ลุกขึ้นเกียมเนื้อเกียมตัวจับกระเป๋าแม่ก็เลยไปจับเอาเสื่อกระเจี๊ยวผ้าไว้ก็เลยซอกกับหลังถูกแม่แม่ก็ล้มตูมลงไปก็จับกระเป๋าก็วิ่งไปเลยเนี่ว่าแลนบ้านหลวงพอ่อแลนลงไปโตนเข้าสเพาพอดีนายสะเพากําลังปดสมอสเพาอยู่พอดีอิตาคนนั้นโตนเข้าไปแล้วสะเพาก็หงงไปเลย ออกไปถึงกลางทะเลหรือมหาสมุทรที่กว้างๆพอเดไปถึงที่นั้นแล้วก็โดยติดเลยไม่ไปเลยเหมือนกับสมอเกาะไว้นี่เนี่ยบัตรนี้นายสะเพานายเรือเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาว่าเป็นคนกาลคินีเข้ามาในเรือในสะเพาเราแล้วมันจึงเป็นอย่างนี้ทุกเที่ยวไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยมาจากสลากเขียนบัตรเขียนสลาก ลงไปจับเอาคนใดเป็นคนกาลาคินีก็ให้จับเอาสลากใบนี้คนนั้นก็จับลงไปก็เทิกสลากใบนั้นแต่คนอื่นนั้นไม่ถูกเมื่อเป็นเสซนังโกเลยมาทําแพรหรือทําไมมัดติดเป็นลําเป็นลำํำนี่ว่าแพรบ้านหลวงคอแล้วก็เอาไม่เอาอาหารการกินลงให้แล้วก็เซิญอิตาคนนั้นลงแพลงเรือใบนั้นไปอิตาคนนั้นลงแล้ว สภาก็ไปเลยทีเดียวไปคนนัทีบละแดนกันไปเลยมองไม่เห็นกันเลยอีตาคนนั้นก็ได้ยินเสียงสัตว์นรกร้องนึกว่าเป็นเสียงเพลงหรือนนตีละนาภาดคองสิ่งที่เพาะหูนั่นแหละก็เลยซีืมือลงไปเราจะไปสมเมืองอันนี้แผ่ก็เลยไปตามกระแสที่อิตาคนนั้นต้องการนั่นเอง พอดีไปถึงที่นั้นแผก็เข้าไปจุหรือเข้าไปมัดไม่ได้มัดหรือเข้าไปพูกไปไปจอดที่นั้นอิตาคนก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเห็นสัตว์ในโลกคนหนึ่งพุกรงจักกำลังผันหัวหรือผุนหัวอยู่เลือดออกมาร้องอยู่อย่างนั้นอิตาคนที่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 วันต่อไปหลายครั้งหลายหนไปขออยู่ทุกวันทุกวันอิตาค น, นังก็ไม่ให้วันสุดท้ายนี้เพราะมันหมดกําหนดแล้วก็เลยเรียกอิตาคนนั้นว่าท่านผู้เจริญท่านจงรีบขึ้นมาเอาเครื่องประดับของท่านเถอะอิตาคนนี้นก็แล่นขึ้นไปวิ่งขึ้นไปอิตาค น, นั่นก็จับเอาองจากอันนั้นเนี่ยออกจากหัวตัวเองไป ให้ศีษาอิตาคนนั้นหรือหัวอิตาคนนั้นคงจักรก็ผันลงไปเลยหุนลงไปล้องขึ้นมาทันทีให้มานับเอาคืนอิตาคนนี้ก็บอกเป็นของท่านแล้วท่านต้องเสเวยนี่อันนี้แหละแสดงให้เราเห็นว่าเห็นคงจักรเป็นดอกบัวมันเห็นผิดการปฏิบัติก็ผิดถ้าเห็นถูกต้องปฏิบัติก็ถูกต้องจริงๆ รับรองวิธีปฏิบัติแบบนี้ต้องเรียนให้สำนิสํำนานการปฏิบัติก็จะรู้เรื่องสมมติจริงๆสมมุติบัญญัติปรามาัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติซี่ข้อนี้ต้องรู้แน่นอนวันที่วันนี้ที่นำมาเตือนจิตสกิจใจของนักปฏิบัติธรรมหรือพวกเราที่กำลังสนใจกันอยู่ในวันนี้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 รู้ได้เห็นได้สัมผัสเข้าใจแนบแนบตอนเร้านี้ก็พูดเรื่องธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะวิธีปฏิบัติธรรมะนี่มีหลายวิธี <c oughs> แต่สำหรับหลวงพอ่เอเคยเอามาใส่กับชีวิตปัจจาบันหลวงพอ่อ หลวงพ่อก็เลยเอาแต่เรื่องเดียวเท่านั้นมาพูดให้ฟังก <c oughs> <c oughs> ารปฏิบัติธรรมะแบบนี้มีวิธีการมีจังหวะนั่งเสยๆไม่ได้นั่งนิ่งๆไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงให้มีจังหวะทำมมีจังหวะเก็บมือเข้าเอามือออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีจังหวะกล่าว าการกราบแล้วก็มีจังหวะไหว้ไปอย่างที่เราพูดนโมทัสสะเป็นภาษาบาลี <c oughs> แต่เราไม่ได้ทําให้มันถูกต้องกับที่เราพูดนโมทัสสะนโมทัสสะพระคาวะโตไปว่าขอนบหนอมโนบทำอย่างไรน้อมทําอย่างไรไม่รู้แต่ก่อนหลวงพ่อไม่รู้ เมื่อมาทําอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกสํานึกขึ้นมาว่ะ <c oughs> เดีพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ น, นโมตัสสะนี่แปลว่าเราทําจังหวะให้เป็นนบให้เป็นน้อมให้เป็นดิบวานบน้อมตัวเองอรหะโตแปลผู้ไกลจะ ก, ก่าศึกไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าเห็นเองรู้เองตัดสู่โดยชอบ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 แต่ให้เรารู้สึกนึกคิดขึ้นมากำลังยกมือไหว้ขึ้นมานี่เราไหว้ตัวเองหรือเราไหว้คนใดเราทำดีแล้วทำชั่วให้เห็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นจึงมีการทำเป็นจังหวะกราบจังหวะไหว้ทำจังหวะกราบจังหวะไหว้เป็นแล้วก็ต้องทำจังหวะลุกยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงมีจังหวะ เมื่อทำจังหวะยืนขึ้นแล้วก็ทำจังหวะนั่งลงยืนขึ้นให้ตรงมีเท่านั้นจังหวะมีเท่านี้นจังหวะนั่งลงมีเท่านั้นจังหวะมีเท่านี้นจังหวะนอนลงบนเนี่ยก็ต้องมีจังหวะนอนไปมันไปตามสัดส่วนของมันบัด น, นี้ก่อนที่จะลุกก็มีจังหวะลุกทำจังหวะเป็นท่าทีจึงว่าให้มีสติรู้ ตามจังหวะของมันเป็นการปฏิบัติธรรมะไปทุกระยะทุกระยะจริงๆเมื่อทำอย่างนี้แหละไม่นานเกิดความรู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาเออการปฏิบัติธรรมะนี่คือปฏิบัติตัวเราคือเรารู้ตัวเรานั่นแหละจึงจะปฏิบัติตัวเราได้พูดให้มันลัต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 รู้แล้วสบายใจคือความสบายที่ยหนบุญถ้าหากเราทำอะไรลงไปแล้วมันไม่สบายอันนั้นไม่ใช่บุญแล้วเข้าใจยังไงแต่ว่าทำสบายแบบนี้ทำไปด้วยความไม่รู้บบ น, นี้ทำไปด้วยทิฏฐิคืออิสาลิษยาคนนั้นคนนี้อันนี้ก็ไม่ใช่บุญแล้วนี่เป็นการที่พูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีอีกแล้ว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 ตัวสมุทัยคือตัวควอมคิดนั่นเองทุกจึงกำหนดรู้กำหนดการเคลื่อนไหวในอิยบุตรทุกอิเดียบุตรน่ะเป็นตัวทุกสมุทัยทําให้ทุกเกิดมาเป็นตัวคิดแบบนี้ถ้ามันคิดออกไปข้างนอกเราไม่เห็นมันก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปยึดเรื่องนั้นไปถือเรื่องนี้เนี่ย ผลมันออกมาก็เป็นทุกข์ดังนั้นจึงว่าทุกข์คือให้กําหนดรู้คือให้รู้การเคลื่อนไหวนั่นเองแล้วจกทํำกลมเข้าใจกับการเคลื่อนไหวนั่นเองเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ในอุปนิ <c oughs> สัยสัจจะเป็ว่าของจริงแท้เมื่อเป็นเช่นนี้สมมติเหมือนกับเรามีของที่คว่ำแล้วก็เปิดขึ้นมา หงายขึ้นมาหงายหน้าขึ้นมาเราก็เห็นมันหรือสมมุติอีกอย่างหนึ่งคือเกียวที่เราขันแน่นเข้าไปนะั้นเรามาคลายเกียวมออกมามันก็หลวมออกมาเลยมันก็เลยเห็นไปอย่างแบบ น, นี้ตัวสมมุทัยทําให้ทุกเกิดนี่คือตัวคิดมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันก็เลยไม่ได้ปรุงเมื่อมันไม่ได้ปรุงแล้วความคิดมันก็เลยไม่ได้ยึดไม่ได้ถือ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 แหวไปอันนี้มันเป็นอนัตตาอีกรูปหนึ่งอนัตตาตัวนี้มันเป็นอนัตตาเรื่องอยู่ภายนอกตัวความคิดนั้นเปิดนอนัตตาแห่งธรรมอยู่ภายใน <c oughs> แต่เรามาทําความรู้สึกกับภายนอกตัวภายในก็รู้ขึ้นมาเองเราก็เลยมาดูเรียกว่าเขาตาดูหรือไม่ใส่คือเราทาความรู้สึกกับการเคลื่อนไหว พอดีจิตใจมันนึกมันคิดมันก็เห็นมันก็รู้มันก็เข้าใจมันก็เข้าไปสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเรียกว่าเป็นมีมิตจึงว่าเห็นจิตเห็นใจตัวเองจิตใจจึงหลอกลวงตัวเองไม่ได้นี่มันเข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อนนั้นไปทํากรรมฐานไปนั่งหลับตาภาวนาพุโทโธบ้าง สัมมาอลระหังบ้างพองยุบบ้างดูลมหายใจบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างตัวของผมหรือตัวกอร์จมาเคยทามาอย่างนั้น <c oughs> แต่ไม่เคยรู้ผมคิดมันคิดแวบออกไปนะี่ไม่เคยรู้อยากให้มันสงบอ น, นัทสงบแบบไม่รู้สงบแบบไม่อยากรู้สงบเหมือนกับก้อนอิดก้อนกวดนี่เอง อันนันมาสงบแบบหนึ่งบัดนี้เคลื่อนไหวเรามีความรู้สึกจิตใจมันนึกคิดเรามีความรู้สึกตัวนึกตัวคิดมันก็เลยไม่ได้ปรุงก็เลยไม่เป็นตัวทุกข์แต่มันคิดออกมามันไม่ได้ทําเป็นตัวทุกข์มาให้เราอย่ว่าสมุทัยทําให้ทุกข์เกิดไว้เมื่อมันคิดออกไปสมมุติเราคิดว่าอันนั้นสวย อันนี้งามอันนั้นดีอันนี้ชั่วเนี่ยเราไม่ทันความคิดนะมันคิดเข้ามาเราเข้าไปนความคิดเมื่อเลยปรุงขึ้นมาอันนั้นแบบตัวทุกข์ท่านจึงว่าสัมมุทัยทําให้ทุกเกิดเนี่ยเมื่อมันคิดออกไปเราไม่เห็นมันก็นําทุกข์มาให้เราผลเราก็ได้รับมันเป็นอย่างนั้นบางทีมักเป็นข้อปฏิบัติแบบ น, นี้ <c oughs> มักก็คือให้เรารู้นั่นเอง เราเอาสติมาดูหรือเราทำกลมรู้สึกหรือนี่มักมักต้องเจริญมักเป็นข้อปฏิบัติเจริญก็ทำให้มากมันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้อันนี้เรียกว่ามักเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าทำให้เจริญเจริญก็มากขึ้นมากขึ้นนี่โลดเึียว่าทำให้แจ้ง นี่โลดแปลพ้นไปเมื่อเราเห็นแจ้งล้วก็พ้นไปจากความสงสัยกังวลใจนี่เราก็พ้นไปเมื่อพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วความทุกขก์เลยลดน้อยไปหรือถึงกับเกิดขึ้นไม่ได้ความจริงแล้วโทสะโมหะโลภะนี้มันเกิดขึ้นในขนาดที่เราไม่เห็นเราไม่รู้ เราไม่เข้าใจความคิดของเรานั่นเองเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดของเราอยู่แล้วแสดงว่าเราไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้โลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เป็นวิธีง่ายๆปฏิบัติธรรมะแบบนี้เอาไปใช้กับการกับงานได้ทุกอย่าง ยิงว่าบาปมากที่สุดดังคือไม่รู้การเคลื่อนไหวไม่รู้จิตใจนึกคิดนี่เองบุญมากที่สุดก็คือรู้การเคลื่อนไหวรู้จิตใจนึกคิดนี่เองนี่มันสั้นๆลัดๆบัดนี้มือดูข้าวดูข้าวรู้สึกข้าวรู้สึกข้าวเห็นเข้าใจเรื่องขันสีรูปสี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 เอาตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเียว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันนี้เป็นขันสี่เป็นรูปสี่ก็เลยรู้ว่าลักษณะของเทวดามันอยู่ที่ตรงนี้เราเห็นรู้เข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวความเป็นเองความมีเอง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 สีมันจะติดเนื้อผ้าทั้งหมดเลย <c oughs> ถ้าเป็นสีดำมันก็ดำทั้งเนื้อผ้านะั้นดาทั้งหมดถ้าเป็นสีอันไดมันก็ไปทาสีอ น, นันเลยเนื้อผ้านะั้นบัดนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสได้แนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นได้สมมติน้ำสีเต็มกระป๋องคุณภาพไม่มีดีา ว, ว่าน้ำยอมไม้อย่างไรได้ เอาไปย้อมผ้าขาวผ้าขาวกับน้ำสีมันจะไม่ติดกันเลยสีจะไม่ติดเมื่อผ้ามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จางคายไปทั้งหมดเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเมื่อรู้สึกกับการเคลื่อนไหวจึงว่ามีจังหวะมีจังหวะเรียนจังหวะ เก็บมือเข้าเอามือออกเป็นแล้วเรียนจังหวะลุกจังหวะนั่งแล้วก็เรียนจังหวะนอนเป็นเรียนจังหวะลุกเรียนจังหวะกราบเรียนจังหวะไหว้จึงว่าเป็นการเคารพตัวเองนบน้อมตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นอย่างนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็ถือว่าเป็นมนุษย์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 มีหูทิพย์ขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเองเตาทิพย์อันนี้หูทิพย์อันนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นภายนอกหมายถึงสิ่งที่เป็นภายในคาว่าตาทิพย์ก็ไม่ได้หมายเห็นตับไตไ้ปอดคนนั้นคนนี้หมายเห็นการเคลื่อนไหวการนึกการคิดจิตใจของตัวเองนี่เองเนี่ยมันเห็นมาที่ตรงนี้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 ไปอยู่สภาพที่แจ้งหรือมันเปลี่ยนทิ้งของหนักออกจากมือเรามือเราไม่มีอะไรติดมันเบามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเราอยู่ฝากนี้แต่ก่อนบัด น, นี้เราข้ามจากฝากนั้นมาอยู่ข้างนี้แล้วมันมันสมมุติพูดนี่แหละควรมเป็นพระมันอยู่ที่ตรงนี้เองดังนั้นควรมเป็นพระอย่างนี้จึงไม่กําหนดกฎเกณฑ์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 เมื่อยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็พยายามสเสาะแสวงหาวิธีที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องพวกอันนี้นี่เองต่อเมื่อพระองค์หรือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละได้ไปเห็นได้ไปรู้ได้ไปเข้าใจมาแล้วท่านก็เลยพูดอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเราพู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แต่เราไม่ทำต่างแต่เราไปปาถนาอ้อนวอนขอร้องเอามันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้ายึงสอนเอาไว้ว่า สัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตเนีน่ยบันทึกการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดสั้นเพราะการทําทางจิตเราท่าน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 เมื่อเราตักออกมากเข้ามากเข้าน้ามันใสเองอันความคิดนี่ก็เช่นเดียวกันมันจะไปถึงที่สุดของทุกได้จริงๆรับรองว่าเรื่องนี้แหละเรื่องที่จะทำให้คนหมดทุกได้จริงๆเพราะทุกคนมันจะไหลไปสู่คมตายเราจะรู้จักวิธีคนไกลและเทคนิคของคมตายจริงๆดังนั้นที่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 อา้านี่มนุษย์คุยเันหรอกกับกาบกันครับไม่ต้องเอาพจนภาษาบาลีละเอาพจนภาษาไทยก็พอแล้วอายุวันณะสุขะพาละฉันนะเดา บ, บอกกันเองอันนั้นไม่ได้เรื่อง